ถ้าใครจะพักว่าโอ้มาวัดหลวงพ่อเนี่ยลำบากเหลือเกินพอหลวงพ่อพาลำบากมาแล้วเพราะว่าหลวงพ่อมาอยู่วัดริเริ่มวัดปานาครับน้อยครั้งแรกมานอนอยู่ต้นน่ะต้นสะท้อนอยู่ข้างคัวนะกุฏิปีสาูนยะ์นั่นแหละหลวงพ่อไปนอนอยู่ตรงนั้นตั้งแต่มาริเริ่มสร้างวัดใหม่มากกวาดใบไม้แห้ง เป็นกองขึ้นมาและอเสือปูทับข้างบนแล้วก็ น, นอนแล้วก็ปักกฏเมื่อปี2523ปีนั้น2123หลวงพ่อมารี่เริ่มสร้างวัดที่นี่แล้วก็ น, นอนตั้งสองอาทิตย์กว่านอนอยู่ที่โคนต้นไม้ที่ใบไม้ หลวงพ่อไม่ได้กลัวผีนะกลัวผีกลัวเสือก็ไม่กลัวเพราะว่าชาวบ้านบอกแล้วว่าไม่มีเสือหรอกเนั้นตุกนะบอกว่าไม่มีเสือมีแต่หมีมีแต่เก้งมีแต่หมูป่ามีอยู่กันกวางก็หมดแล้วเพะั้นหมดเพิ่งหมดไปใหม่ๆช้างก็ไม่มีหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยไม่กลัวกลัวที่สุดก็คือกลัวงูตัว เ, เล็กๆกับแลมลงป่องตะขาบเทา่านั้นเองที่มันจะมากัด หลวงพ่อเวลานอนเนี่ยก็เอามุงเม้นเข้าไปในใต้เสือเนงั้นอะเอาเสือทับเอาไว้เพื่อมาให้งูไม่ให้ตะขาบมาแมลงป่องเข้ามากัดมาต่อยได้เนี่ยเนี่ยหละหลวงพ่ออยู่ในปา่าดงพงไัยสมัยแรกลำบากขนาดนั้นดัไม่มีปูนเซีเมนไม่มีที่มุงบงังมีเสือผือเดียวน มีมอญมีมอนใบเดียวมีตะบา่าดพวกนั้นผู้ใดมาอยู่โอ้ลําบากต้องคิดถึงหลวงพอ่อตีหลวงพ่อมาอยู่ก่อนเนี่ยลำบากขนาดไหนกวาดใบไม้อยู่เดี่ยพวกเรามาอยู่ขนาดนี้โอ้ยสะดวกสบายห้องน้ําห้องถ่าเปิดน้ําที่ไหนก่ออาบน้ําก็ได้ถึงจะไม่ไหลามาลดตัวเองกัเข้าไปในห้องน้ําก็ยังมีน้ําไหลออกมา สะดวกแล้วก็คือสะดวกสบายเนี่ยแต่มนุษย์เนี่ยมันก็อย่างว่าเหมือนกันเอีไม่ว่าท่านว่าเราความอยากจะสบายเนี่ยสบายขนาดหนึง่งอยากสบายขนาดหนึง่งเนสบายขนาดหนึง่งอยากสบายขนาดหนึ่งอีกเอ่ผลที่สุดจะว่านั่งอยู่นอนกินอย่างั้นเถ อ, อะเอ่ขอให้ผู้ค้ามีความสุขสุขสบายเนอะให้ผู้ค้าจะได้ทําการทํางานให้นั่งอยู่นอนกินหัะ เป็นปาถนาเพราะนั้นพวกที่เป็นอมภพอมพาตหนึ่งปาถนาอย่างนั้นเลยได้นั่งอยู่นอนกินแบบนั้นเถอะเอาที่แท้ก็ไม่ไ ม, ไม่อยาก อ, าอีกแล้วทีนี้นอนกินจริ ง, รงๆเมื่อนอนเพ้อเพ้อก็ยังถามไปขี้ไปเยี่ยวอีกต่างหากเพื่อนั้นเถอะเพราะนั้นใครอยากจะสบายขนาดนั้นนะต้องสู้นะต้องลุกเดินจงกรมนั่งภาวนาปัดกวาดทาความสะอาดอต้องช่วยตนเอง นั่นแหละกายบริหารมันถึงจะอยู่ได้นะจะไปคิดถึงมีแต่หวังความสุขอยากจะให้นั่งอยู่นอนกินไม่อยากจะทำอะไ ร, ยะไรห ย, ยิบอะไรก็กลัวเหนื่อยหยิบอะไรก็กลัวออกกำลังกายมากไม่ได้นะพอจะออกกำลังกายส่วนไหนออกปาดกวาดทำความสะอาดช่วยดูแลยิ่งออกกำลังกายก็ยิ่งมีกำลัง เ, เหมือนเห็นไหมนักมวยนักออกกาลังกายเขานะ่ะ เขาออกเท่าไหร่กําลังเขายิ่งแข็งแรงไอ้คนที่ขี้เกียจออกกําลังกายกําลังยิ่งไม่มีมันเป็นอย่างนั้น เ, เพราะนั้นพวกเรามาอยู่ในป่าดงพงไพ่ต้องพึ่งตนเองนี่แหละชีวิตของพระชีวิตของพระป่าเป็นอย่างที่หลวงพ่อพูดนี่แหละยากลําบากการอยู่การฉันก็เหมือนกันการอยู่การฉันทานอาหารอย่างพวกนาคทั้งหลาย พวกเราอยู่ในบ้านในเมืองสั่งอาหารพัทธคารอาหารตามสั่งเราสั่งอาหารประเภทไหนก็ได้ทานอาหารประเภทนั้นแต่มาเป็นนักพจนักปวดมาบวชในพุทธศาสนาเราจะสั่งอาหารตามสั่งไม่ได้อาหารมาตามหม้ออย่างที่ว่าเนี่ยต้องแจกกันเพราะว่าไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดมาก็แจกแจกแกใส ยใส่กระมังใส่บาดเพื่อฉันยังชีพให้เป็นไปเป็นวันๆเพราะว่าการเลี้ยงชีวิตของเราการดำรงชีวิตของเราการไปอยู่ของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายนี่แหละเมื่อเราเข้ามาบวชเราจะได้อย่างตำใจของเราไม่ได้พระพุทธเจ้าพระ สารีบุตรท่านสอนลูกศิษย์ของท่านลูกศิษย์ของท่านเป็นเศรษฐีนะอเป็นเศรษฐีเข้ามาบวชลูกเศรษฐีมาบวชพระสารีบุตรก็สอนเมื่อเจ้าจะเข้ามาบวชนะเจ้าปฏิบัติอย่างนี้ได้ไหมเวลานอนเจ้าต้องนอนอยู่องค์คนเดียวไม่มีเพื่อนอันนี้คือชีวิตของนักบวชเวลาทานอาหาร เราปรารถนาของร้อนได้ของเย็นแต่เราปรารถนาของเย็นกลับได้ของร้อนคือไม่ได้อย่างใจของเราที่เราที่เราต้องการนะเราเป็นนักบวชเขาให้อย่างไรอาหารดิบดีเราก็ได้กินของดีได้ฉันของดีถ้าเขาให้ยังไงเราก็ต้องรับอย่างนั้นเพราะว่าการเลี้ยงชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราควรทำตัวให้เขาเลี้ยงง่าย ไม่ใช่ว่าเขาให้ข้าเนิ้วตัวเองอยากได้เข้าเจ้าพอให้เข้าเจ้าอยากได้เข้านี้วเออมันไม่ได้นะชีวิตนักบวชถ้าเขาจะให้ยังไงเราก็ยินดีรับตามที่เขาให้นี่แหละชีวิตนักบวชเจ้าทนได้ไหมเจ้าจะอยู่ได้ไหมถ้าเจ้าอยู่ได้คือเอาบวชถ้าว่าเจ้าอยู่ทำอย่างนั้นไม่ได้แต่ว่าเจ้าบวชไม่ได้นะอันนี้คือพระเถระสารีบุตรท่านสอนลูกศิษย์ก่อนที่จะบวช อันนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเรามาพิจารณาดูแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างที่ท่านได้สอนเพราะฉะนั้นชีวิตของนักพฎินักปรสนักบวชที่เราจะเดินตามแถวแถวพุทธประเพณีธรร ม, มประเพณีสังฆประเพณีประเพณีของพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเราจะสั่งอาหารตามสั่งมาทานไม่ได้ ผู้ที่จะเป็นนักพจนักบวชที่จะเป็นพระที่แท้จริงต้องเป็นผู้อดทนคำว่าอดทนคานี้แหละต้องประจำใจของพวกนักพจนักบวชเมื่ อ, อยากกินไม่กินอยากนอนไม่นอนถ้ายังไม่ถึงเวลาที่จะให้นอนอยากพูดไม่พูดเมื่อไม่ถึงเวลาที่จะให้พูดแปลว่าอดหมด พูดจะเป็นพระที่สมบูรณ์ได้ต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าตามทําตามอาเภอใจทําตามมัทธาใจทําตามที่ตัวเองต้องการโดยมากตัวเองต้องการโดยมากมันไปทางกิเลสกิเลสความอยากนําหน้าพออยากไปแล้วตนิมมันไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินยัยไม่ถูกตามหลักพระธรรมวินัยก่อนนัน้เดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมาในวงการเดือดร้อนมาถึงตัวเองที่เป็นเจ้าของ ผลที่สุดทั้งที่เราต้องการความสุขทางด้านจิตใจเข้ามาแล้วก็มาเจอกับสิ่งรอบด้านรอบข้างสิ่งแวดล้อมเข้ามาแล้วก็ผลที่สุดก็ทั้งที่ตัวเองต้องการแก่นปรารถนาจะเดินเข้าไปหาเพื่อจะหาแก่นพอไปเจอเข้าไปเจอขวากเจอน้ําเจออะไรก็ไม่รู้ต่อแตนรอบด้านต้นไม้ก็เลยโดดเพนไปเลย จุดมุ่งหมายในใจของเราที่จะไปเอาแก่นนั้นก็เลยไม่ได้สมความมุ่ง ม, มัดปราถนาเพราะเพราะเหตุไรเพราะเราขาดความรอบคอบเราขาดปัญญาที่จะใช้เข้าไปในจุดนั้นเพราะนั้นสิ่งเหล่านั้นเป็นขวากเป็นน้ำเป็นต่อเป็นแตนทั้งหมด เ, เป็นตัวต่อตั ว, ต ว, ตวแตนทั้งหมด เ, เป็นอสารพิษที่ทำขัดขวางทางจิตใจของเราที่จะเข้าสู่ มักสู่ผลเรือเข้าไปสู่คุณงามความดีในจุดนั้นได้เพราะนั้นในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบรมครูของพวกเราเนี่ยเอาสิพิจารณาดูสิพพุธทธประวัติของพระพุทธเจ้าท่านไปอยู่ป่าถึงหกปีเก็ดเป็นกษัตริย์ถ้าจะว่าไปแล้วพวกเราถึงจะมีความสุขยังไง แต่ถ้าเปรียบกับพระพุทธเจ้าที่เป็นกษัตริย์แล้วก็คงจะเหนือเหนือกันพอสมควรในการเป็นอยู่แล้วพระองค์เป็นกษัตริย์ไปอยู่ในป่าพวกเราคิดดูกันแล้วกันการเป็นอยู่การอยู่การฉันการคบค้าสมาคมอำนาจวาสนาสั่งการสั่งงานลูกน้องบริวารมีพร้อมทุกอย่างอำนวยความสะดวกให้ จะไปทางไหนจะทำอะไรล้วนแล้วแต่เป็นความสุขแต่พระพุทธองค์หนีออกจากเวียงวังไปอยู่ในป่าเพราะเหตุไรเพราะพระพุทธองค์คิดไตรตรองเหตุและผลดูแล้วที่ท่านอยู่ในเวียงวงังถึงเราจะมีความสุขอย่างนี้ก็ถือพอกินอาหารเข้าไปอาหารดีขนาดไหนกินแล้วก็ไปถ่ายแล้วก็มากินอีกแล้วก็ไปถ่ายแล้วอันไหนคือสาระ ของการกินเมื่อพูดแล้วกระจบแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเพราะสั่งไปแล้วอืเงินคําทรัพย์สมบัติที่ได้มาแล้วได้มาเพื่ออะไรเมื่อตายไปแล้วเอาอะไรไปด้วยได้สิ่งไหนที่จะติด ต, ตามไปปู่ย่าตาทวดของเราเอพระอัยกาพระเอปู่ย่าตาทวดที่ปกครองเป็นท อ, ทอดมาถึงเราท่านเอาอะไรไปด้วยได้ก็ไม่เห็นใครออกไปอะไรสักอย่าง มีแต่ทำาาก็มาเถอะเก็บเอาไว้ไปแล้วก็เก็บเอาไว้ไปแล้วเราก็คงจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอันไหนคือสาระของชีวิตเนี่ยสิทธิษฐท่านคิดอยู่ในเวงในวังจนพอแรงว่างอนันคิดจุดนี้เพราะนั้นท่านจึงหาสาระในชีวิตของพระองค์ไม่ได้ท่านจึงไปเสาะสแสวงในป่าดูสิไปอยู่ตามลําพังหยุดสิถ้าคิดอยู่ในบ้านในเมืองคิดในสถานที่วุ่นวายมันคิดไม่ออก ที่พอคิดมาเดี๋ยวกับคนนั้นมาหาพอจะคิดเรื่องนี้คนนี้มาหานะเพราะในส่วนก็เลยมีแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายจากนั้นพระองค์ก็เลยปลี่ตัวออกไปคิดนะนั่งคิดนอนคิดยืนคิดเดินคิดอยู่ในป่านถึง6ปีนะไปบําเพ็ญอยู่ที่หปีลองผิดลองถูกอยู่นู่นนะจนถึงวันสุดท้ายที่ท่านจะประสบความสําเร็จนะเหมือนกับผสมสารเคมีอย่างนั้นเลย ผสมตัวนี้เข้าไปตัวนั่นออกมามันเป็นอย่างนี้เออเหมือนกับเขาทดลองอกล่นน้ำมันออกจากล้อรถยนต์อย่างนั้นเออกลั่นน้ำมันออกจากล้อรถยนต์เป็นน้ำมันโซลา่าไดา้แต่ว่าก่อนที่จะมาเป็นได้เขาทดลองอะไรจนพอแรงเหมือนกันความเสียหายถ้าคิดเป็นเงินออกมาก็เยอะแยะ อันนี้ก็คือการลองวิทยาศาสตร์ที่จะเอามาใช้งานในจุดนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าที่ท่านไปทดลองทดสอบอยู่ในป่าทึ้ง6ปีท่านทดลองใจสิคือนามธรรมจุดตัวผู้รู้ใจตัวนึกคิดเนี่ยไปคิดยังไงคิดยังไงเป็นลาคะคิดยังไงเป็นโทสะคิดยังไงเป็นโลภะพระองค์ไปสังเกตนั่งอยู่อย่างนั้นเอาสมาธิเขาไปจับ เอาปัญญาคุยเขียขูดคน้นเอาสมาธิเขาไปจับแล้วก็คุยเขียขูดค้นอยู่อย่างนั้นจนถึง6ปีวันเดือน6เพนเนี่ยวันไปสบความสําเร็จแปลว่าสูตรสูตรผสมเสร็จบางงานเถอะแปลว่าสูตรผสมเสร็จอยู่ได้6ปีวันเดือน6เพนนั่นแหละนี่แหละแต่นี้พวกเราเมื่อพระพุทธองค์ได้สูตรผสมเสร็จออกมาแล้วก็มาเผยแผ่ ให้พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพระธรรมคําสั่งสอนอย่างพวกเราได้ศึกษาอยู่เดียวนี้นะ่ะเนั่นแหละให้พวกเราทั้งหลายนะทุกๆ ท, ท่านนะให้ศึกษาดูซิว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ลึกซึ้งอย่างไรมาวิเคราะห์ดูไตรตรองด้วยเหตุและผลเพราะพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้านี่พุทธศาสนาเป็นพระธรรมคําสั่งสอนสอนเราเหตุผลให้รู้ตามความเป็นจริง อย่าหลอกตอนเองให้รู้ตามความเป็นจริงที่มันเรื่องนั้นๆ น, น, นี่แหละอันนี้ก็ให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะศึกษาพอพูดไปแล้วก่นนี่แหละพอมาถึงว่าศึกษาเนี่ยก็ต้องยืดยาวล้วท่านนี่ค้นคว้าลวเลยท่นี่ตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสได้ตรัสได้บอกเอาไว้ในพระธรรมคําสั่งสอนในพระไตรปิฎกตั้งแต่เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาเรื่องบาเพ็ญกองการกุศล ไล้ล้าอย่างทีนี้สรุปแล้วก็คือเข้ามาประมวลเข้ามาก็คือเข้ามาสู่ใจของพวกเรานั่นอ่ะอเพราะเหตุไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าพระพุทธเจ้าท่านที่ท่านไปค้นถึงหกปีก็ไปนค้นใจของพระองค์นั่นแหละไม่ได้ค้นที่อื่นนะธรรมนะน่ยอยู่ที่ใจนะอยู่ที่นามธรรมะนะพ่อะนั้นมันจึงยากอือยากและง่ายก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้อง ฝ่าฟันอุปสรรคจะต้องศึกษานะาวันนี้เดพูดเป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราทุกท่านตั้งแต่การบวชการลำบากในป่าการอยู่ในป่าลำบากยังไงขนาดหลวงพ่อเป็นผู้ริเริ่มหลวงพ่อก็ยังลำบากถึงขนาดนั้นพระพุทธเจ้าที่ท่านอยู่ในเวียงในวังเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านจะลำบากขนาดไหนท่านไป ฝ่าฟันอุปสรรคเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาอยู่บำเพ็ญอยู่ในป่าอยู่ในวัดคองหลวงพ่ออย่าไปคิดว่าเพียงแค่นี้ลำบากสุขสบายพอแรงถ้าจะว่าเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าที่เป็นบรมครูของพวกเราแล้วน้ำท่าอาหารการบริโภคทุกสิ่งทุกอย่างมีเป็นไป เ, เพราะนั้น อย่าไปวิต ก, กังวลให้ตั้งอกตั้งใจศึกษาเท่านั้นศึกษาแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนที่ลึกซึ้งขึ้นไปสูงส่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าชำระอะไรทำไมจึงท่านจึงให้ชำระใจใจที่มองไม่เห็นทำไมจึงให้ชำระชำระได้อย่างไรการชำระใจไม่ใช่ธรรมดานะี่ความมืดกับความสว่างมันอยู่ใกล้กันนะนะั่นแหะความโง่คือความไม่รู้ความฉลาดคือความสว่าง ใจของเรามันมีอยู่นั้นน่ะถ้าว่าจุดไหนที่มันโง่แปลว่าจุดนั้นมันมันมืดถ้าเรารู้แล้วจุดนั้นมันก็สว่างพราะรู้แล้วเหมือนกับเราอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก่อนเราก็โง่ในเมื่อเราอ่านออกเราก็ฉลาดไม่ว่าวิชาในแขนงไหนละ่ะอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเรารู้เรื่องภพเรื่องชาติเราก็ปล่อยวางภพชาติเราก็เป็นผู้ฉลาดเป็นผู้เหนือชาติไม่มาเกิดแก่เจ็บตายนะนั่นน่ะ ความรู้กับความไม่รู้มันอยู่ในจุดเดียวกันอนลลาพรธตนินะอนุโมทนาให้พร